ทำไมพวกเราจรึงต้องเข้าหาพระธรําคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วยเราได้นั่นเองช่วยเราตอนเวลาที่เรามีความทุกข์ใจกันเวลาเรามีความทุกข์ใจนี้ไม่ว่าอะไรที่เรามีอยู่นี้ ช่วยดับความทุกข์ใจของพวกเราไม่ได้เลยต่อให้เป็นมหาเศรษฐีเวลามีความทุกข์ใจเงินทองของมหาเศรษฐีก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้เวลามีความทุกข์ใจต่อให้เป็นประทานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้ ต่อให้ได้เป็นนักกีฬาดีเด่นได้รับเหรียญรางวัลต่างๆได้รับเหรียญโอลิมปิกเหรียญทองโอลิมปิกหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลโนเบลเวลาเกิดความทุกข์ใจสิ่งที่เขาเหล่านี้ไม่สามารถช่วยเขาได้เลย แต่ถ้าใครมีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสามารถที่จะดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับที่อยู่ภายนอกและระดับที่อยู่ภายในภายใน ภายในก็คือภายในใจของผู้ปฏิบัติตอนต้นนี้เราจะยังไม่มีธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเวลาเราเกิดความทุกข์เรายังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้เพราะว่าเรายังไม่มีธรรมะอยู่ภายในใจแต่ถ้าเรา สามารถเอาธรรมะที่อยู่ข้างนอกใจนี้เข้ามาสู่ภายในใจได้เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาใจก็จะสามารถใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าดับความทุกข์ได้ทันทีเปรียบเหมือนกับยารักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้ามียาแต่เราไม่ได้รับประทานยาโายครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่หายถ้าอยากจะให้โครคภัยไข้เจ็บหายไปเราต้องรับประทานยาพอรับประทานยาเข้าไปแป๊บเดียวโยครคภัยไข้เจ็บก็จะลดความรุนแรงลงไปตามลำดับและหายไปได้ในที่สุดธรรมะของพระเจ้านี้ ยังเรียกว่าธรรมโอสถโอสถก็แปลว่ายาธรรมโอสถยาของธรรมยาของธรรมนี้รักษาโรคใจไม่ได้รักษาโรคกายอย่างเป็นลมพิษนี้มีธรรมก็ไม่สามารถทำให้ลมพิษมันหายได้เพราะว่าลมพิษมันเป็นโรคของร่างกายพระพุทธเจ้าก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องกินยา ถ้าร่างกายไม่สบายพระพุทธเจ้าก็มีหมอหมอชีวกคอยหายามาถวายร่างกายของพระพุทธเจ้านี้ไม่สามารถรักษาได้ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเองอพระพุทธเจ้าตัดสัตวธรรมะอันประเสริฐแต่ไม่สามารถใช้ธรรมะอันประเสริฐนี้มารักษาโรคทางร่างกายได้ ธรรมะนี้เป็นยารักษาโรคทางใจโรคของใจก็คือความทุกข์ใจนั่นเองความทุกข์ใจก็มีหลายรูปแบบด้วยกันความทุกข์ใจที่เกิดจากการาต้องพบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาความทุกข์ใจที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งที่รักไปหรือความทุกข์ใจที่เกิดจาก ความไม่พอใจต่างๆความทุกข์ใจที่เกิดจากการความผิดหวังมีความทุกข์ใจหลายแบบความทุกข์ใจเพราะความกลัวกับเหตุการณ์ต่างๆกลัวภัยธรรมชาติกลัวภัยทางโรคภัยไข้เจ็บนี่คือความทุกข์ต่างๆที่เป็นโลกของใจ ที่สามารถรักษาให้หมดไปได้ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะนี้แปลว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าการที่เราจะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เข้ามารักษาใจรักษาความทุกข์ของใจให้หมดไปเราต้องเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ข้างนอก ให้เข้าไปข้างในใจนี้คือตอนแรกนี้เราจะได้มาพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเวลาเราฟังเทศฟังธรรมกันขณะ น, นี้เรากําลังฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าการได้ยินได้ฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินวิธีดับความทุกข์ใจของ พระพุทธเจ้านี้ยังเป็นยาภายนอกอยู่ยังเป็นธรรมะภายนอกยังไม่เข้ามาสู่ในใจเช่นสมมติตอนนี้เรามีความทุกข์ใจไม่สบายใจเรามาฟังธรรมการฟังธรรมเฉยๆยังไม่สามารถที่จะทำให้ความไม่สบายใจต่างๆหายไปได้เพราะว่าการฟังธรรมนี้ยังเป็นการ าการได้พบกับยาแต่ยังไม่ได้รับประทานยาเช่นเวลาเราไม่สบายทางร่างกายเราไปหายามารักษาเราได้ยาจากหมอมาแต่ถ้าเรายังไม่ได้รับประทานยายาก็ยังไม่สามารถทำหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ ฉันใดเวลาที่เรามีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจแล้วเราไปอ่านหนังสือธรรมะหรือไปฟังเทศน์ฟังธรรมแต่การที่เราได้ฟังธรรมได้อ่านหนังสือธรรมะมันก็ยังไม่ทำให้ใจเราหายทุกข์ได้ก็เพราะว่าเรายังไม่ได้เอาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้า เข้ามาสู่ภายในใจของพวกเรานั่นเองการที่เราจะนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ภายในใจของพวกเราได้เราต้องเอาเข้ามาด้วยการปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนให้เราปฏิบัติให้เราทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เหมือนยาที่เราได้รับมาจากหมอ หมอบอกให้รับประทานอย่างนั้นรับประทานอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำตามที่หมอสั่งรับยามาแล้วก็วางไว้เฉยๆคิดว่าเรามียาแล้วแล้วโรคจะหายโรคไม่หายโรคจะหายก็ต่อเมื่อเราเอายาเข้ามาในร่างกายทำตามที่หมอสั่งหมอสั่งให้กินยาวนลาสองครั้งสามครั้งก่อนนึ่งหลังอาหาร เราก็ต้องทำตามที่หมอสัง่งเพราะเราทำตามแล้วเราก็จะได้เอายาเข้ามาสู่ร่างกายได้พอยาเข้าสู่ร่างกายแล้วทีนี้เราก็สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ร่างกายในร่างกายให้หายไปได้ความไม่สบายใจโรคภัยของใจก็เหมือนกัน เราต้องเอาธรรมะโอสถยาของพระพุทธเจ้านี้เข้ามาสู่ภายในใจของพวกเราการที่จะเอาเข้ามาสู่ภายในใจนี้เราต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติก็เท่ากับเราได้เริ่มรับประทานยาแล้วแล้วพอเรารับประทานปฏิบัติไปไเรื่อยเดี๋ยวความไม่สบายใจต่างๆ แล้วก็หายไปตามลําดับหายไปเรื่อยๆตราบใดที่เราไม่หยุดกินยาเราต้องกินยาไปเรื่อยๆจนกว่าโรคภัยไข้เจ็บจะหายอย่างราบคาบเราถึงหยุดกินยาได้การปฏิบัติตามคําสัาส่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเราต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปจนกว่า ความทุกข์ของใจนี้จะหมดสิ้นไปเมื่อหมดสิ้นไปแล้วเราก็ไม่ต้องปฏิบัติต่อไปเราจะรู้เองเหมือนกับคนที่ไม่สบายทางร่างกายว่าตนเองสบายหรือยังไม่สบายหายหรือยังไม่หายว่าอาการในร่างกายมันจะบอกถ้าร่างกายยังไม่หายมันยังมีความ ทุกอยูมันยังมีความเจ็บปวดอยู่มันยังมีไข้ยอยูออ่ก็แสดงว่าโรคยังไม่หายก็ต้องกินยาไปต่อกินไปจนกว่าโรคหายไปเวลาหายไม่ต้องไปถามหมอหมอต้องมาถามเราว่าหายหรืยอยังเพราะหมอก็ไม่รู้เราเป็นคนที่จะรู้คนไข้จะรู้ว่า ตัวเองหายหรือไม่หายหมอไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันเวลาปฏิบัติธรรมไปนี่เราจะหายไม่หายเราต้องเรารู้เองเราจะพ้นจากทุกเราจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจของเราแล้วหรือไม่เราไม่ต้องไปถามใครถามคนอื่นเขาไม่รู้หรอกเราต้องดูที่ใจของเราว่าเมื่อก่อนนี้เราเคยทุกข์กับเรื่องนี้ เดี๋ยวนี้เรายังทุกข์กับเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าเมื่อก่อนนี้เราทุกข์กับคนนี้เดี๋ยวนี้เรายังทุกข์กับคนนี้อยู่หรือเปล่าเมื่อก่อนเราทุกข์กับสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้เรายังทุกข์กับสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่ามันจะรู้เองภายในใจท่านยังเรียกว่าสันติโกสันติโกแปลว่าผู้ปฏิบัติผู้ที่กินยาธรรมโอสถ จะรู้ด้วยตนเองว่าตนเองได้หายจากความทุกข์ต่างๆหรือยัง น, นี้คืออย่างนั้นถ้าเราอยากจะรักษาใจของเราให้หายจากความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนได้ เราก็ต้องเรียนก่อนเรียนศึกษาก่อนเหมือนกับก่อนที่จะกินยาก็ต้องอ่านฉลากยาก่อนแล้วดูคำสั่งที่หมอเขียนไว้มากับยาว่าจะต้องกินยาอย่างไรยาบางชนิดกินไม่ได้ต้องทาถ้าเอาไปกินเดี๋ยวก็แทนที่จะรักษาโรคให้หายกับทำให้ตายได้เช่นเอายาทาไปกินอย่างนี้ เอาอยากินไปทาถ้ารักษาถ้ า, ถ, าถ้าทำแบบนี้ก็ไม่หายเน้นคนไข้ต้องรู้จักวิธีกินย า, าถึงแม้จะมียาวิเศษขนาดไหนแต่ถ้าใช้ยาไม่ถูกประเภทเโภครคไปไข้เจ็บก็จะไม่หายเอาอยาทาเป็นรับประทานเอาอยากินมาทาอย่างนีอ้อย่างนี้ก็จะไม่มีวันหาย ต้องรู้จักวิธีกินยาด้วยว่ายาชนิดนี้ต้องกินยาชนิดนี้ต้องทายาชนิดนี้ต้องฉีดมันมีหลายชนิดด้วยกันฉันใดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีหลายชนิดด้วยกันวิธีปฏิบัติต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็มีวิธีที่แตกต่างกันไปถ้าไม่ศึกษารายละเอียดแล้วปฏิบัติแบบคิดไปเองว่าทำอย่างนี้ทาอย่างนี้แต่ถ้าไม่ทำตามตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำเนี่โยโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่หายไปได้ดังนั้น ก่อนที่เราจะปฏิบัติก่อนที่เราจะกินยาเราต้องอ่านฉลากยาก่อนอ่านวิธีกินยาว่าเราต้องกินอย่างไรชนิดยามีหลายชนิดด้วยกันชนิดนี้ต้องกินอย่างไรชนิดนี้ต้องทาอย่างไรชนิดนี้ต้องฉีดอย่างไรต้องใช้ให้ถูกวิธีถูกประเภทของยา ดังนั้นก่อนที่เราจะปฏิบัติทำปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราก็ต้องอ่านศึกษาวิธีปฏิบัติก่อนเมื่อเราอ่านวิธีปฏิบัติแนละ้วเราก็ต้องทมตามขั้นตอนของการปฏิบัติไม่ควรข้ามข้ามข้ามขั้นตอนถ้าข้ามขั้นตอนมันก็ จะทําให้ไม่สามารถรักษาโรคใจได้รักษาไม่หายดัยงนั้นเราต้องเชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกขั้นตอนอย่าไปข้ามขั้นตอนเพราะว่าการข้ามขั้นตอนแล้วแทนที่จะได้ผลกับไม่ได้ผลเราจะเสียเวลาเปล่า เดี๋ยวก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่นี่คือการศึกษาทางภาษาพระภาษาบาลีท่านเรียกการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าปริยัติธรรมขั้นที่หนึ่งต้องศึกษาเรียกว่าปริยัติธรรมพอเรารู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติอะไรบ้าง เราก็นาเอาไปปฏิบัติขั้นที่สองเราก็เรียกว่าขั้นปฏิบัติปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติตามขั้นตอนทุกประการเดี๋ยวขั้นที่สามก็จะปรากฏขึ้นมาคือปฏิเวทธรรมปฏิเวทว่าแปลว่าหายจากทุกการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆคือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆ เราเรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็คืออาการที่เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆก็จะหายไปตามลําดับความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจก็จะหายไปตามลําดับของการปฏิบัตินี่คือขั้นตอนที่เราจะต้อง ทําปฏิบัติไม่ควรข้ามขั้นตอนอย่าปฏิบัติโดยที่ไม่รู้ว่าเรากําลังปฏิบัติอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรเพราะว่าเหมือนกับกินยาหรือเอายากินไปทาเอายาทาไปกินอันนี้ก็จะทําให้ไม่เกิดผลนั่นเองธรรมะที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เราปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าก็ส่งสอน ให้เราปฏิบัติเป็นขั้นไปก่อนให้เริ่มต้นจากขั้นขั้นแรกแล้วก็ให้ก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองแล้วก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สามตามลำดับไปแล้วผลต่างๆที่จะเกิดก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับะรรมของวระพุทเจ้านี้ก็แบ่งไว้สามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่า การทำบุญทำทานการที่สองเรียกว่าการรักษาศีลการที่สามเรียกว่าการภาวนาการภาวนาคือการปฏิบัติทางจิตใจคือการทำจิตใจให้สงบและสอนจิตใจให้มีปัญญาความฉลาดนี่เป็นขั้นที่ผู้ปฏิบัติจะต้อง ปฏิบัติไปตามลำดับการปฏิบัตินี้ก็สามารถที่จะปฏิบัติควบคู่กันไปได้สามขั้นนี้ปฏิบัติพร้อมๆกันไปได้แต่ไม่ควรขาดขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติจากน้อยขึ้นไปหามาก เพราะว่าจะเริ่มต้นจากมากเลยนี้มันเราจะไม่มีกำลังพอถ้ายกของหนักกว่าที่เรามีกำลังที่จะยกได้เราจะไม่สามารถยกมันขึ้นมาได้เราก็ต้องสร้างกำลังให้เพิ่มขึ้นด้วยการยกของที่เราพอจะยกได้ไปก่อนพอเรายกของที่เราพอจะยกได้แล้ว เราเริ่มมีกําลังมากขึ้นเราก็เพิ่มน้ําหนักของของที่เราจะยกให้มากขึ้นไปแล้วเราก็จะเพิ่มการยกของหนักได้มากขึ้นไปตามลําดับเพราะร่างกายของเราก็จะเพิ่มมีกําลังเพิ่มมากขึ้นไปตามตามลําดับอันนี้ก็เหมือนกัน จิตใจของเราเวลาเราเริ่มปฏิบัตินี้เราจะทําได้ไม่มากเราจะทําได้เท่าที่เราทําได้ไปก่อนแล้วพอเราทําได้มากกว่านั้นเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นไปดังนั้นเราต้องมาศึกษาว่าการที่เราจะต้องปฏิบัติทําทั้งสามขั้นนี้ ปฏิบัติกันตอนไหนแบบไหนเวลาใดาทำขั้นที่หนึ่งคือทานคือให้เรานี้ทําบุญทาทานถ้าเรามีเงินทองที่จะเอาไปใช้ในทางที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจใช้เงินทองแบบไหนที่สร้างความทุกข์ใจหรือใช้เงินทองกับสิ่งที่ไม่จำเป็น เงินทองนี้มีไว้ใช้สำหรับสิ่งที่จําเป็นเพราะสิ่งที่จําเป็นนี้ไม่เกิดโทษต่อร่างกายและจิตใจนั่นเองสิ่งที่จําเป็นก็คือปัจจัยสี่ของทางร่างกายถ้าเราขาดปัดจจัยสีเราก็จะเกิดความทุกข์กายและทุกข์ใจเวลาร่างกายทุกข์ใจก็จะทุกข์ตามด้วย ถ้าเรามีเงินทองเราก็ต้องเอาเงินทองนี้มาใช้เพื่อดับความทุกข์กายและดับความทุกข์ใจ น, นี่คือเงินทองที่ใช้คนจะใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าให้ใช้ให้เกิดโทษดังนั้นเราต้องใช้เงินทองเพื่อเลี้ยงดูร่างกายของเราพอเรามีพอและเหลือเฟือเราเก็บไว้สําหรับอนาคตแล้ว เรายังมีเหลือเรารู้ว่าตายไปเราก็ใช้ไม่หมดเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็กวรจะเอาเงินส่วนเกินนี่ไปทำบุญทำทานอย่าเอาไปใช้ตามความอยากต่างๆคนเรามักจะเอาเงินที่เหลือจากการใช้ปัจจัยสี่นี่ไปใช้กับความอยากต่างๆ เพราะคิดว่าการได้ใช้ตามเงินตามความอยากแล้วจะทำให้ใจมีความสุขจะทำให้ใจไม่มีความทุกข์แต่ถ้าดูสังเกตดูแล้วมันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดกันเพราะว่าถ้าเราใช้เงินตามความอยากนี่มันจะทำให้เราติดเหมือนกับติดยาเสพติด คนที่เสพยาเสพติดก็คิดว่าเวลาเสพยาเสพติดแล้วจะให้ความสุขกับเขาจะกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ให้หายไปแต่มันให้ความสุขเดี๋ยวเดียวกำจัดความทุกข์ได้เดี๋ยวเดียวแล้วพอฤทธิ์ของยาหมดก็จะพบกับความทุกข์ ก็ต้องหายามาเสพอีกก็ต้องคอยไปหาเงินหาทองมาซื้อยามาเสพอยู่เรื่อยๆแล้วทําเงินทองหาไม่ได้หรือไม่พอก็จะเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจจนถึงอยากจะฆ่าตัวตายเวลาที่ติดยามากๆนี่มันทุกข์ทรมานใจมาก แต่ถ้าไม่ได้ติดยาจะไม่เดือดร้อนเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากต่างๆเราจะได้ความสุขตามที่เราใช้มันแล้วไม่นานความสุขนั้นก็หายไปเราอยากถ้าเราอยากจะได้ความสุขใหม่เราก็ต้องหาเงินทองมาใช้ใหม่มาซื้อใหม่ มันก็จะทำให้เรานี้ต้องคอยหาเงินทองอยู่เรื่อยๆหามาได้มากได้น้อยก็ต้องมาใช้กับความอยากแล้วเดี๋ยวมันก็หมดแล้วถ้าเกิดเรามีอุปสรรคในการหาเงินทองเราก็จะทุกข์ใจไม่สบายใจเพราะว่าเงินทองไม่พอใช้ที่ไม่พอใช้เพราะไม่ใช่เพราะว่า ไม่พอใช้กับสิ่งที่จําเป็นแต่ไม่พอใช้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้นดังนั้นการใช้เงินกับสิ่งที่ไม่จําเป็นนี่แทนที่จะให้ความสุขกับเรานี่มันกลับจะให้ความทุกข์กับเรามากกว่าถ้าเราไม่ใช้เงินกับสิ่งที่ไม่จําเป็นได้นี่เราจะไม่เดือดร้อนเลยเวลาไม่มีเงินใช้ตามความอยาก เราก็อยู่บ้านอยู่เฉยๆได้เพราะว่าเราไม่มีเราไม่ได้ติดกับการใช้เงินแบบนั้นเราใช้เงินกับความจำเป็นเท่านั้นนี่คือความหมายของการทำทานทาบุญทำบุญคือเอาเงินที่เราจะไปใช้กับความอยากนี้เอาไปทำบุญทำทานจะดีกว่า เพราะการทำบุญทำทานนี้เป็นเหมือนกับการซื้ออาหารให้กับใจเวลาเราได้ทำบุญทำทานใจเราจะมีความรู้สึกอิ่มมีความสุขต่างกับเวลาใช้เงินตามความอยากจะรู้สึกว่าหิวไม่พอซื้อมาแล้วก็ไม่พอต้องไปซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆอันนี้แหละนี่คือความแตกต่างของการใช้เงินที่ เกิดโทษหรือเกิดคุณถ้าอยากจะใช้เงินทองให้ใช้เงินให้เกิดคุณขึ้นมาด้วยการเอาไปทำบุญทาทานอย่าเอาไปใช้ตามความอยากต่างๆเช่นอยากจะซื้อเสื้อผ้าที่เรามีเหลือเฟือแล้วก็อยากไปซื้อซื้อของที่เราไม่จาเป็นจะต้องซื้ออย่าไปซื้อหรือไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกร่ากายก็อย่าไปซื้อ เช่นไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการใช้เงินทองแบบนี้มันเป็นเหมือนกับการซื้อยาเสพติดเพราะว่าซื้อมาเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วจะทาให้เราทุกข์เดือดร้อนเวลาที่เงินทองไม่พอซื้อสิ่งที่เราอยากจะซื้อ ดังนั้นเราต้องพยายามหยุดใช้เงินทองในรูปแบบนี้เพราะเป็นเหมือนกับไปซื้อยาเสพติดมาเสกให้ใช้เงินทองด้วยการทําบุญทําทานถ้าเรามีเหลือถ้าไม่มีเหลือเราก็ไม่ต้องทําบุญทําทานก็ได้ดังนั้นเราต้องสํารวจดูการใช้เงินทองของเราว่าตอนนี้เราใช้เงินทองไปในทางไหนถ้าเราใช้เงินทองไปกับการ ดูแลรักษาร่างกายนี้ก็ใช้ได้แต่ก็ต้องดูว่ามันเกินขอบของความจำเป็นของร่างกายหรือไม่ถ้าเกินมันก็กลายเป็นกลายเป็นโทษได้เช่นซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราถึงแม้ว่าจะเป็นปัจจัยสี่มันก็ทำให้เรานี้จะอยากได้ของฟุ่มเฟือยของหรูหรามากๆา มันก็จะทำให้เราต้องคอยหาเงินหาทองมาซื้อของเหล่านี้อยู่เรื่อยๆแทนที่เราจะมีเวลาที่จะไปทําไปปฏิบัติธรรมขั้นที่สูงขึ้นเราก็จะติดอยู่ตรงที่การหาเงินหาทองแล้วก็ใช้เงินใช้ทองนั่นเองแต่ถ้าเราใช้แบบประหยัดมัธยัติใช้ตามเหตุตามผลตามความเหมาะสม ตามความต้องการของร่างกายเราก็จะไม่ต้องใช้เงินทอง ม, มากเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินทอง ม, มากเราก็จะมีเวลาเราก็ไม่ต้องไปหาเงินทอง ม, มากไม่ต้องไปทํางานทุกวันแทนที่จะทําอาทิตย์ละห้าวันเราอาจจะลดเหลือหนึ่งหรือสองวันก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้เงินทอง ม, มากแล้วเราก็จะได้มีเวลา ที่เราจะได้มาปฏิบัติทำขั้นที่สองขั้นที่สามต่อไปได้นั่นเองนี่คือการใช้เงินทองทําบุญทำทานเพื่อเปิดให้เราได้มีเวลามาปฏิบัติศีลมาปฏิบัติภาวนานั่นเองแต่ถ้าเรายังหาเงินหาทองกันอยู่เพื่อที่จะใช้ก็ดีหรือเพื่อที่จะเก็บไว้ เพื่ออดจะได้อวดความร่ำรวยของเราก็ดีหรือเพราะว่าเวลามีเงินทองแล้วรู้สึกว่ามีความสุขมีความมั่นคงก็อยากจะหาไว้มากๆมีมากๆเพราะเวลามีเงินทองมากๆรู้สึกว่ามีอํานาจวาสนามีคนคอยรับใช้คอยอคอยส ร, รับเสริญคอยยกยอ่องอันนี้ถ้าเราหลงติดอยู่กับการ หาเงินทองแบบนี้เราจะไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติทำขั้นสูงต่อไปได้ทานเราก็จะไม่ค่อยได้ทำกันเพราะเราได้เงินมาแล้วเราก็จะหวงเงินเสียดายเงินอยากจะเก็บไว้ใช้สําหรับตัวเราเองเท่านั้นคือใช้กับร่างกายที่จําเป็นแล้วก็ใช้กับความอยากที่เรามีอยู่แล้วก็กจะใช้แบบฟุ่มเฟือย ลดราคาถูกๆก็ไม่ใช้ต้องใช้รดราคาแพงๆเสื้อผ้าราคาถูกๆก็ไม่ใช้ต้องใช้เสื้อผ้าราคาแพงๆอาหารราคาถูกๆก็ไม่กินต้องกินอาหารราคาแพงๆรักษาโรคภัยแค่เจ็บก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลที่มีราคาแพงๆโรงพยาบาลที่เขาเก็บแค่30บบาทนี่ไม่ไปรักษา ไม่ว่าโรงพยาบาลไหนไปดูมีคนตายทั้งนั้นเน่ะโรงพยาบาลราคาแพงๆก็มีคนไข้าตายกันโรงพยาบาลราคาถูกๆก็มีคนไข้าตายกันเหมือนกันโครคภัยไข้เจ็บมันไม่เลือกว่ารวยหรือจนเมื่อถึงเวลามันจะตายมันตายได้ทุกคนตายได้ทุกโรงพยาบาลดังนั้นเราอย่ามาหลงกับการ หาเงินหาทองเพื่อมาใช้กับของฟุ่มเฟือยของหรูหราของแพงๆถึงแม้จะเป็นของจําเป็นก็ควรจะใช้ตามความต้องการของร่างกาย ừ. เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาหาเงินหาทองแล้วก็ต้องมาทุกกับการหาเงินหาทอง ừ. การหาเงินหาทองไม่ใช่ว่ามันจะสุขเนะีกว่าจะได้เงินทองมาแต่ละบาทมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า แล้วก็ต้องปวดหัวมีปัญหาต่างๆนานาประการมาให้แก้อยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะติดอยู่ในวงจรของการหาเงินหาทองแล้วก็ใช้เงินใช้ทองแบบฟุ่มเฟือยแบบหรูหราเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้าหาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แทนที่เราจะหาธรรมะเพื่อดับความทุกข์ใจ เรากลับไปหาเงินทองเพื่อมาดับความทุกข์ใจแต่เงินทองมันไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้นอกจากไม่ดับความทุกข์ใจแล้วยังสร้างความทุกข์ใจให้มากยิ่งขึ้นไปซะอีกเชื่อไม่ว่าคนขอทานข้างถน น, นเนี้มีความทุกข์ใจน้อยกว่ามหาเศรษฐีไม่เชื่อลองไปถามคนที่ถูกกงคุณไปสองหมื่นล้านดูเล กัขอทานที่นั่งข้างถนนนี่ขอทานมันก็เพียงแต่ทุกข์กับว่าวันนี้กูจะได้กินหรือเปล่าเพียง น, นึงแต่เศรษฐีเสียงไปสองหมืนล้านนี่ถามว่านอนหลับไหมกินได้ไหมกินได้นอนหลับไหมนี่พูดเปรียบเทียบให้ดูว่าพวกเราทุกคนเนี่ยที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้เราทําเพื่อดับความทุกข์กันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักวิธี ดับความทุกข์ที่ถูกต้องนั่นเองเพราะเราไม่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเราใช้ความรู้สึกของเราหรืออาศัยคนที่ไม่รู้มาสอนเราคนไม่รู้ก็สอนว่าให้เราหาเงินมากๆให้มีเงินมากๆแล้วความสุขจะไหลมาเทมาก็เลยบ้าหาเงินกันใหญ่หาเงินจนกระทั่งเครียดกันฆ่าตัวตายกันกินยาตายกัน อันนี้ก็เพราะว่าเงินทองไม่ใช่เป็นเครื่องดับทุกข์ใจเงินทองนี้เปียบเหมือนกับน้ำมันไม่ใช่น้ำดับไฟเวลาดับไฟเราฉีดน้ำมันเข้าไปดูเลยเวลาบ้านใครไฟไหม้นี่เอาน้ำมันไปฉีดดูเลยดูื่วงมันจะดับไหมมันไม่ดับหรอกมันยิ่งไหมใหญ่เลยใช่ไหมนั่นแหละเงินทองเป็นเหมือนน้ำมันดับความทุกข์ใจนะ มันไม่ดับความทุกข์ใจแต่มันเพิ่มความทุกข์ใจให้มีมากยิ่งขึ้นไปถ้าต้องการดับความทุกข์ใจต้องใช้น้ำน้ำของธรรมน้าคือน้าคือธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าสมมติว่าเรามีเงินทองตอนนี้ถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ใจเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีใช้เงินทองอย่าใช้เงินทองตามความอยาก เอาเงินทองถ้ามันมีมากเกินไปนี้เอาไปทำบุญทำทานหรือถึงแม้จะไม่มีมากก็ตามแต่ถ้าเราพอที่จะแบ่งไปทำบุญได้ก็เอาไปเพราะการทำบุญทำทานนี้มันมีคุณประโยชน์กับจิตใจมันทำให้ใจเราเกิดความอิ่มขึ้นมาจะลดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้น้อยลงได้ความอยากต่างๆที่จะ ที่จะใช้เงินทองเป็นเครื่องมือนี้จะลดลงไปเช่นอยากจะไปเที่ยวยนี้จะลดน้อยลงไปถ้าเราเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทําบุญทําทานเราจะทําให้เราอยู่บ้านเฉยๆได้อยู่ติดบ้านะจะไม่รู้สึกหงุดหงิดเศร้าซ้อยงอยเหงาว่าเวเวลาที่จะต้องอยู่บ้านเพราะไม่มีเงินออกไปเที่ยว นี่คือข้อที่หนึ่งคือการทำทานนี้จะเปิดทางเปิดให้เรามีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมขั้นสูงของพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ชีวิตของเรานี้จะหมกมุ่นอยู่กับการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองลองไปดูชีวิตของเศรษฐีของผู้ที่เขาหาเงินกันดี เขาหาตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาใจก็ทั้งดึกดื่นเขาก็ยังคิดยื่อหาเงินหาทองอยู่นั่นแล้วพอช่วงไหนเขามีเวลาว่างเขาก็จะไปเที่ยวกันไปหาความสุขจากเงินทองกันพอเสร็จกลับมาก็ต้องมาหาเงินทองต่อถึงแม้ว่าจะมีมากขนาดไหนก็กลัวมันจะหมดกลัวมันจะหดกลัวมันจะน้อยลงก็ต้องคอยหาอยู่เรื่อย ท่านติดอยู่กับการหาเงินใช้เงินแบบนี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธจเจ้าได้เลยนี่คือทำไมาเราต้องทำทานถ้าเรามีเงินมีทองถ้าเราใช้เงินใช้ทองตามความอยากถ้าเรายังอยากหาเงินหาทองเพื่อให้เรามีความสุขอยู่อันนี้เราต้อง หยุดต้องเปลี่ยนวิธีว่าเราต้องยอมต้องศึกษาให้รู้ว่าการมีเงินทองมากๆนี้ไม่ได้ทําให้ใจเรามีความสุขมากๆแต่กลับจะทําให้ใจเรามีความทุกข์มากๆขึ้นไปถ้าเราใช้เงินทองกับสิ่งจำเป็นเราก็ไม่ต้องใช้มากเมื่อไม่ใช้มากก็ไม่ต้องหามากเมื่อไม่หามากก็ไม่ก็จา ก็จะมีเวลาว่างมีเวลาว่างที่จะมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะต้องปฏิบัติอะไรต่ อ, อทำทานแล้วก็ให้รักษาศีลการทำการจะรักษาศีลได้ก็ต้องอา ศ, าศาัยการทำทานเหมือนกันเพราะถ้าเรายังต้องการหาเงินมากๆอยู่เราจะรักษาศีลยาก พอมะพอค้าแม่ค้านี่เขามาวัดที่ไรเขาชอบบ่นเลยว่ารักษาศีลไม่ค่อยไหวทํามาหากินมันขัดกันเวลาทํามาหากินนี้บางทีต้องโกหกกันะพูดความจริงแล้วขายไม่ได้ด้วยต้องหลอกกันว่าซบคุณสินค้าชนิดดีดีอย่างนั้นดีอย่างนี้รับรองรับประกันอะไรไปเอราคาถูกมากอะไรมากอันจริงเป็นคําหลอกทั้งนั้น ถ้าไปบอกว่าสินค้านี้แพงสินค้านี้ซื้อไปแล้วเดี๋ยวต้องเสียนี่ไม่มีใครจะซื้อกันก็เลยต้องโกหกหลอกลวงกันพ่อค้าแม่ค้าก็เลยรู้สึกว่าเวลาหาเงินค้าขายแล้วมารักษาเสียนี่มันจะรักษายากนั่นก็เป็นเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าอยากจะได้เงินมากๆนั่นเองเพราะยังอยากจะเอาเงินทองไปซื้อ ของตามความอยากอยู่นั่นเองแต่พ่อค้าแม่ค้าคนที่ไม่เอาเงินทองไปซื้อของตามความอยากเอามาใช้กับของที่จำเป็นนี้จะไม่มีความโลภอยากได้เงินมากเมื่อไม่ต้องการเงินมากก็ไม่จำเป็นที่จะต้องโกหกหลอกลวงขายตามขายไปตามความเป็นจริงเขาถามว่าดีไม่ดีก็พูดไปตามความเป็นจริง ถูกหรือไม่ถูกราคาจริงเท่าไหร่ก็พูดไปตามความเป็นจริงอันนี้ก็ไม่ต้องโกหกได้แต่อาจจะขายไม่ได้มากแต่เมื่อเราไม่ต้องการมากเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอาทาผิดศีลนั่นเองเอาการทำบุญทำทานก็จะทำให้เรานีา้มีความปรารถนาที่จะรักษาศีล ว่เวลาเราทำบุญทำทานนี้เรามีความปรารถนาอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยากจะทําให้คนอื่นมีความสุขเราจะไม่อยากให้คนอื่นเขาทุกข์หรือเสียหายที่เกิดจากการกระทําของเราคนใจบุญจะเป็นอย่างนี้เวลาทําอะไรนี้จะต้องคํานึงถึงผลกระทบกับผู้อื่นถ้าพูดไปแล้วทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายก็ไม่พูดดีกว่า ถ้าทำอะไรแล้วทําให้คนอื่นก็เสียหายไม่ทําดีกว่าออก็จะทําให้รักษาศีล์ห้าได้ง่ายขึ้นกว่าผู้ที่ไม่ได้ทําบุญทําทานออนี่การทําทานนี้มีประโยชน์2 อ, อย่างหนึ่งคือทําให้เรามีเวลามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะสองทำให้เราก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองจากขั้นที่หนึ่งคือทาน เอาขึ้นสู่ ข, ขั้นที่สองคือการรักษาศีลได้อย่างง่ายดายนะถ้าตอนนี้เรายังรักษาศีลห้าไม่ได้ลองไปสำรวจ ด, ดูเพราะว่าเรายังอยากได้นูน่นได้นี่อยากมีเงินมีทองอยากได้ข้าวอยากได้ของอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้บางทีพูดตรงพูดความจริงแล้วไม่ได้ก็ต้องโกหกหลอกลวงกันถึงจะไดนะ้แต่ถ้าเราไม่มีความอยากได้ของที่ไม่จาเป็นต่างๆแล้ว เราก็ไม่ต้องมีความจําเป็นที่จะต้องไปโกหกหลอกลวงหรือไปขโมยไปลักข้าวของของคนอื่นมามันก็จะทําให้เรานี้สามารถรักษาศีลห้าได้นี่คือขั้นที่สองทำไมเราต้องรักษาศีลห้าเพราะการทําบาปนี้มันทําให้เราทุกข์นั่นเองเวลาเราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นนี้ถึงแม้เราจะได้ทรัพย์ของเขามา แต่ใจของเรานี้จะไม่สบายขึ้นมาทันทีเพราะกลัวจะถูกจับได้นั่นเองทำบาปแล้วใจจะเกิดความกลัวกลัวจะถูกจับไปลงโทษกลัวผู้อื่นจะรู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีเราไม่อยากให้คนเข้ามาว่ามาตำหนิเรา เราก็เลยมีความกลัวว่าเขารู้หรือเปล่ามีใครไปเห็นมีใครไปบอกเขาหรือเปล่าว่าเราทำอะไรไม่ดีนี่คือความทุกข์ใจที่เกิดจากการทําบาปต่างๆถ้าเราไม่ทําบาปความทุกข์ใจเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือการดับทุกข์สองขั้นขั้นแรกดับด้วยฐานดับความอยากที่จะใช้เงินแบบฟุ่มเฟือย หลั บ, บความอยากใช้เงินเพื่อซื้อความสุขต่างๆเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการซื้อความสุขมันเป็นการซื้อความทุกข์นั่นเองพอเราไม่ใช้เงินตามความอยากต่างๆความทุกข์ก็จะไม่เกิดตามม า, าแล้วพอเราไม่ทําบาปเราละเว้นการกระทําบาปด้วยการรักษาศีลห้าได้ทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปก็จะไม่เกิดขึ้นมา นี่เราก็ได้ระงับดับความทุกข์ไปสองระดับแล้วระดับทานกับระดับศีลเมื่อเราสามารถที่จะรักษาศีลห้าได้ถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ที่ยังมีเหลือในใจให้หมดไปเราก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลห้าไปเป็นศีลแปดเพื่อที่จะได้หยุดกิจกรรมที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ใจนั่นเอง แต่ที่เราไปคิดว่ามันเป็นความสุขใจกิจกรรมอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขใจแต่มันเป็นความทุกข์ใจก็กิจการทางเพศทางกามนี่เองทางตาหูจมูกลิ้นกายพวกเราจะคิดว่าเวลาเราได้เสพกามกันเราจะมีความสุขกันแต่เราไม่เคยคิดว่าเวลาที่เราไม่ได้เสพเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพนี่มันรู้สึกอย่างไร การเสพกามนี้ท่านบอกว่ามันเป็นไม่เที่ยวบางทีก็ได้เสพ บ, บางทีก็ไม่ได้เสพเวลาได้เสพก็มีความสุขเวลาไม่ได้เสพก็มีความทุกข์มีความเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเว่ยะอยงนั้นถ้าเราต้องการที่จะไม่มีความทุกข์กับการเสพกามคือแก่การเสพลูกเสียงกลิ่นลด เราก็อย่าไปติดมันอย่าไปเสพมันการที่เราจะไม่เสพมันเราก็ต้องเลิกเราก็ต้องหยุดเราหาวิธีหาความสุขแบบใหม่มาทดแทนการความสุขแบบใหม่นี้เราเรียกว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี่ความสุขที่ได้จากการมาเจริญจิตตภาวนาการมาภาวนานี่เองที่จะ เป็นการสร้างความสุขในรูปแบบใหม่แต่ก่อนที่เราจะสร้างความสุขในรูปแบบใหม่นี้ได้เราต้องหยุดกิจกรรมในการสร้างความสุขในรูปแบบเก่าไปเพราะไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีเวลามันจะแย่งกันความสุขรูปแบบเก่ากับความสุขรูปแบบใหม่นี้มันต้องมีเวลาถ้าเรายังหาความสุขในรูปแบบเก่าอยู่ เราก็จะไม่มีเวลามาหาความสุขในรูปแบบใหม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องมาถือศีลแปดเพื่อหยุดการหาความสุขในรูปแบบเก่าความสุขในรูปแบบเก่าคืออะไรก็คือการร่วมหลับนอนกันอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนศีลข้อ5า้าจะศีลห้าข้อสจากการร่วมหลับนอนกับแฟนมาเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกันยุดติการนอนร่วมกัน จะได้เอาเวลาที่เป็นนอนร่วมกันนี้มามาปฏิบัติจิตตภวนานั่นเองนะครับนี้ข้อที่หนึ่งคือหยุดการเสบร่วมเสบร่วมหลับนอนกันแล้วข้อที่สองคือถือศีลข้อหคือไม่กินอาหารแบบพร่ำเพรื่อแบบไม่มีเวล า, วลาให้กินแบบกินยากินตามที่หมอสั่งหมอของเราคือพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสั่งให้เรากินอาหารแค่เที่ยงวันก็พอวันละมือ้อสองมื้อก็พอแล้วเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่มีพิษมีภัยต่อร่างกายและจิตใจถ้ากินตามความอยากแล้วมันจะเป็นปัญหาเพราะมันจะทําให้เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะมาสร้างความสุขในรูปแบบใหม่ถ้ารับประทานอาหารมากเงินก็จะวุ่นนอน วลานั่งสมาธิก็จะหลับสองมันจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันเพราะมันจะนั่งคอยคิดถึงอาหารอยู่เรื่อยๆกินอาหารไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็หิวอีกแล้วอยากจะกินอีกแล้วก็จะมาติดอยู่กับการกินอาหารก็เลยต้องห้ามไม่ให้กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วเพื่อจะได้เอาเวลาหลังจากเที่ยงวันนี้ไปปฏิบัติจิตตภาวนาได้นี่คือ ข้อหศสินข้อหกคือไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วสินข้อเจ็ดก็ให้เรายุติการหาความสุขจากมหบบัศลศพบรนเทิงต่างๆถ้าเราไปดูหนังดูละครไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลามาฝึกจิตตะภาวนากันนั่นเองงนั้นเราต้องหยุดการเที่ยว การหาความสุขจากมหสพบันเทิงต่างๆดูภาพยนตร์ไปงานเลี้ยงต่างๆไปงานสังสรรค์ต่างๆงานวันเกิดงานแต่งงานงานอะไรต่างๆที่ต้องใช้เวลามากเราถ้าไปตามทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างความสุขในรูปแบบใหม่คือความสงบน นอกจากนั้นเวลาเราไปงานเราก็ยังต้องแต่งเนื้อแต่งตัวต้องแต่งทาหน้าทําผมทําอะไรอีกเวลาก็จะหมดไปกับกิจกรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าเลยต้องห้ามไม่ให้พวกเราทํากิจกรรมเหล่านี้ไม่ให้นอกจากนั้นเราก็ยังไม่ให้นอนมากเกินไปให้นอนพอพักผ่อนร่างกายได้ก็พอร่างกายนี้ถ้าได้นอนสัก4ีห้าชั่วโมงมันก็จะ ตื่นขึ้นมาแล้วแล้วมันจ ะ, ะมันจะไม่ไม่นอนต่อถ้าเราให้มันนอนบนพื้นแข็งๆ แ, แต่ถ้าเราให้มันนอนบนฟูกหนาๆฟูกนุ่มๆเวลามันตื่นขึ้นมานี่แต่ใจจะไม่อยากรกร่างกายมันนอนพอแล้วแต่ใจมันอยากจะนอนต่อเพราะมันสบายก็จะไม่ลุกขึ้นมา แต่ถ้าให้ร่างกายนอนบนพื้นแข็งๆเนี่ยนอนบนพื้นไม้พื้นดินเนี่ยปูผ้าปูเสือ่อเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อไปเพราะมันไม่สบายก็ไดจะได้ลุกขึ้นมาปฏิบัติจิตภาวนาได้นะครนี่คือข้อห้ามต่างๆเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่เราไปใช้กับกิจกรรมทางกา ร, ร ทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้มาใช้กับการสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็จะไม่มีเวลากันเดี๋ยวก็กินละเดี๋ยวก็กินขนมเดี๋ยวก็กินนูน่นกินนี่เดี๋ยวก็ไปคุยกันนั่งคุยกันเล่นกันอะไรทำอะไรได้เพราะศีลห้าไม่ห้ามเนี่ยศีลห้าทำให้ทำได้ทุกอย่างแต่พอมาถือศีลแปด น, นี่ห้ามหมดไม่ให้ไปทาอะไรทั้งนั้น นี่คือทำไมเราจึงต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าขึ้นไปเป็นศีล8สํ 8. สำหรับคนบางคนนี่อยากจะมีศีลมากขึ้นอีกเพราะจะได้มีเวลาเพิ่มมากขึ้นก็ต้องถือศีลส0ศีล2องทีนี้จะแทบจะไม่มีเวลาไปทำเวลาอย่างอื่นเลยนอกจากภาวนาอย่างเดียวนี่คือทำไมจึงต้องมีการเพิ่มการรักษาศีล เพราะการรักษาศีลจะได้ทําให้เรามีเวลามาปฏิบัติมาสร้างความสงบที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายให้มันหมดสิ้นไปนั่นเองการภาวนานี้ก็จะดับความทุกข์ให้หมดไปได้สองระดับด้วยกันระดับชั่วคราวกับระดับถาวรสมถะภาวนาเนี้จะทําให้ความทุกข์นี้หายไปชั่วคราวเวลาจิตสงบ ไม่ว่าจะทุกข์กับเรื่องอะไรที่เราเคยทุกนี้เวลาเข้าไปในสมาธินี้ความทุกข์หายไปหมดเลยความทุกข์ที่เกิดจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้จะหายไปหมดเวลาเข้าไปในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เดี๋ยวความทุกข์อันนั้นก็กลับมาใหม่ได้นี่คือสมาสมาธิทาหน้าที่ดับความทุกข์ได้ชั่วคราว คือเอาดึงใจให้ออกจากเรื่องราวที่วุ่นวายแต่พอใจกลับมาเจอเรื่องวุ่นวายแบบเดิมอีกก็จะเกิดความทุกข์ใหม่ได้อีกก็จึงจำเป็นพอเราได้ความเราได้วิธีดับความทุกข์ระดับชั่วคราวแล้วเราก็จะสามารถใช้วิธีขั้นที่สองคือดับความทุกข์อย่างถาวรได้ขั้นที่สองนี้เราเรียกว่าวิปัสสนาภาวนา หรือปัญญาปัญญานี้จะเป็นผู้ที่จะสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราทุกข์ด้วยนี้มันเกิดจากความอยากของเราเองเกิดจากความหลงของเราเองหลงที่ไปคิดว่าเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วพอเราไปคิดเราก็จะไปอยากได้เขามาเป็นของเรา แล้วพอเราได้เขามาแล้วพอเขาไม่ดีตามที่เราคิดเราก็จะทุกข์ขึ้นมาแล้วเราอยากจะทำให้เขาดียิ่งอยากให้ทำให้เาดีเราก็เราก็จะยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของใจนี้ อ, อันนี้คือปัญญาจะสอนให้เราว่าเราอย่าไปหลงคิดว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันจะให้ความสุขกับเรา เพราะความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นความสุขปลอมมันให้ความสุขกับเราเดียวเดียวเราเดียวมันก็จะต้องหมดไปพอเวลามันหมดไปมันจากเราไปมันก็จะทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นม า, าสู้เข้ามาอยู่กับความความสุขที่แบบไม่มีความทุกข์ดีกว่าก็คือความสุขที่ได้จากการเข้าสมาธิาาดังนั้นเวลาออกจากสมาธิมา พอไปเจอเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้พออยากจะไปให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เปลี่ยนใจอย่าไปอยากดีกว่าปล่อยเขาเป็นอย่างนั้นไปเขาจะเป็นอย่างนั้นก็เรื่องของเขาเรากลับมาอยู่กับความสงบดีกว่าหยุดความอยากดีกว่าไม่ไปทําตามความอยากดีกว่าพอเราไม่ไปทําตามความอยากใจเราก็สงบเย็นสบายอเราก็ปล่อยวางได้เขาจะเป็นอย่างไรก็เราก็จะไม่เดือดร้อน เขาจะดีหรือไม่ดีกับเราเราก็จะไม่เดือดร้อนเขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเราเราก็จะไม่เดือดร้อนกับทุกสิ่งทุกอย่างเราจะปล่อยวางได้ถ้าเรามีปัญญาถ้าเราจะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบบังคับควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้สู้ปล่อยดีกว่าปล่อยได้สบายยอมแล้วหยุดยอมแล้วจะได้หยุดต่อสู้ พอหยุดต่อสู้แล้วใจก็จะเย็นยอมหยุดเย็นถ้าเราเห็นว่าการไปต่อสู้กันการเอาแพ้เอาชนะกันนี้มันมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้ยอมดีกว่าหยุดต่อสู้ดีกว่าปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็ไปเขาจะรักเราก็รั ก, กเขาจะเกลียดเราก็เกลียดแต่เราไม่มีส่วนร่วมกับเขา ไม่มีส่วนไม่มีความอยากให้เขารักเราหรือไม่เกลียดเราเขาเกลียดเราก็ปล่อยให้เขาเกลียดไปเขารักเราก็ปล่อยให้เขารั ก, รกไปแต่เราเฉยๆกับเขาเราไม่ยุ่งกับเขาใจของเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปต้องใช้ปัญญาเท่านั้นถ้าเข้าไปในสมาธิก็หยุดความทุกข์ได้ชั่วคราว แต่พอกลับมาเจอเหตุการณ์ต่างๆก็ทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราไม่ได้พอเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเราก็เฉยสบายเขาจะเป็นยังไงก็ปล่อยก็เป็นไป เขาจะรักก็ปล่อยก็รักไปเขาจะเกลียดก็ปล่อยเขาเกลียดไปเขาจะสามวันดีสี่วันไข้ก็ปล่อยเขาสามวันดีสี่วันไข้ไปเราไม่ไปหวังอะไรจากเขาไม่ต้องการอะไรจากเขาแล้วเราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปนี่คือการดับทุกข์อย่างท้าวอนต้องดับด้วยการเข้าสู่ระดับวิปัสสนาแต่คนที่ได้ศึกษาธรรมะตั้งแต่ขั้นฐานศีลภาวนาแล้ว พอรู้ว่าขั้นวิปั ส, สนา this ดีที่สุดก็เลยเอาวิปั ส, สนาเลยโดยที่ไม่ยอมผ่านขั้นทานศีลขั้นสมถะก่อนอันนี้ก็รับรองได้ว่าวิปัสสนูไม่ใช่วิปั ส, สนาจะเป็นบ้าไปนะต่อไปถ้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของพระพุทธเจ้าคนที่คิดว่าเก่งฉลาดสามารถเข้าถึงทำระดับสูงได้ทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นเพียงแต่ความคิดเท่านั้นใครๆก็คิดได้ แต่ความจริงทำขั้นต่ำได้แลวอย่งางทำบุญทำทานได้เลยอย่างบอยจากเข้าของเงินทองหรือยังหวงเงินหวงทองยังตนตหนีอยู่ยังอยากโลภอยากมีเงินมีทองอยู่หรือเปล่าถ้ายังทำแบบนี้ไม่ได้คือไม่โลภไม่อยากได้เงินทองไม่ตะนหนีไม่หวงเงินทองอันนั้นถึงจะขึ้นไปสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามต่อไปได้พอพอไม่หวงเงินหวงทองไม่โลภเงินรอบโลภทองแล้ว รักษาศีหน้าได้หรือเปล่ารักษาสีแปดได้หรือเปล่ามันต้องเป็นขั้นไปไม่ใช่มาอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมพอรู้ว่าวิปัสสนาปัญญานี้เป็นบุญสูงสุดบุญมากที่สุดก็เลยจะาวิปัสสนาเอาปัญญาโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองนี้มีกําลังที่จะไปไขวความได้หรือไม่เหมือนพอนรารู้เรื่องรู้ราวตอนเป็นเด็กเขาบอกปัญญาเอกนี่ดีกับ เรียนอนุบาล น, นะก็ไม่ขอเรียนอนุบาลขอแม่หนูจะไปขอเรียนปริญญาเอกเลยไปได้หรือเปล่าไปไม่ได้หรอกมันต้องมีฐานมีขั้นมีบันไดพ า, าขึ้นไปนี่คือเรื่องของการศึกษาธรรมะจะได้ไม่หลงทางกันถ้าไม่ศึกษาอย่างละเอียดแล้วเดี๋ยวจะหลงกิเหลสคือความโลภมันจะมาหลอกทันทีว่าอยากไปทําทานให้เสียดายเงินเสียดายทองอย่าไปรักษาศีลเลยไ ด, ได้ได้บุญน้อย ไปภาวนาดีกว่าไปวิปัสสนาเลยสมาธิก็ไม่ต้องนั่งเลยมันเสียเวลาเอาวิปัสสนาพิจารณาไตรลักษอย่างเดียวอลองทําดูดูว่าจะได้หรือไม่ได้แล้ว เ, เดี๋ยวจะมาเสียใจในภายหลังว่าเสียเวลามาต้องหลายปีเพราะว่าตอนเองไม่มีบารมีฐานที่จะเข้าไปสู่ธรรมระดับนั้นได้ ขอให้เรานำเอาไปพิจารณาดูนี่คือเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มีคนมีประโยชน์แก่จิตใจของพวกเราเป็นเหมือนยารักษาโรคใจที่พวกเราจะต้องน้อมเอาเข้ามาในใจของเราด้วยการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็จะหายหมดไปตามลาดับอย่างแน่นอน การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาหวเริวาหาปุราปาริปุรเรนติสาขังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุปกักปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุรเรนตุสังกบา จันทูปันะราโสยะธามณิโชดิอราโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโคเวนัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีริสะนิจจวุทาปัจจายโน จตารโธมรวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง อ, อยากบอกขอบคุณท่านพระอาจารย์มากค่ะที่แล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะที่อยู่ที่นี้ขอบคุณมากๆากค่ะครัค่ะ เ, เราได้เข้าโรงเรียนแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากแน่นำตัวเองชื่ออะไรไชื่อคาริน่าค่ะชื่อมาริสาค่ ะ, อคะขอบคุณมากค่ะชื่อมาริตาค่ะขอบคุณมากค่ะที่ให้ขอบคุณทุกทุกคนเลยค่ะที่ช่วย ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์นะแต่แต่เข้าโรงเรียนแล้วเดี๋ยวอีกสองเดือนเดยวเข้าเรียนได้เสื้อผ้าได้ทิชชู่างแล้วค่ะขอบคุณมากะคระับพวกเราเป็นชาวพุทธคือเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนแนเราช่วยกัน ถ้าใครเดือดร้อนพอเราช่วยกันได้ก็ให้ช่วยกันไม่ได้ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนไม่ต้องการความขอบคุณหรือว่าไม่ต้องการให้มาทำอะไรให้เพราะว่าการช่วยกันนี้มันเป็นความสุขคนที่ได้ช่วยคนอื่นก็มีความสุขคนที่ได้รับการช่วยเหลือก็มีความสุขโลกเราอยู่กันได้ก็เพราะความช่วยเหลือกัน ภาษาพระภาษ า, าพุทธเขาเรียกว่าเมตตาคำจุนโลกโลกเราจะอยู่กันอย่างสันติสุขไม่ฆ่ากันไม่แก่งแย่งชิงดีกันเพราะว่าเราช่วยเหลือกันใครช่วยเหลือใครได้ก็ต้องช่วยกันไปนั้นก็ขอให้สบายใจนะว่าไม่มีไม่มีอะไรจะต้องมาตอบแทน เงแต่ขอให้ทำสิ่งที่เราอยากจะทำให้เต็มที่ก็แล้วกันอยากจะเรียนก็ขอให้เราตั้งใจเรียนแล้วคนที่เขาอยากจะช่วยเหลือเขาก็จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนไปไม่ต้องเกรงใจนะถ้าขาดแคลนอะไรเดือดร้อนอะไรก็มาบอกได้ถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็อาจจะไม่ช่วยอันนี้ไม่ได้เป็นกาว่าบังคับกันนะ เวลาต่อไปอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะไม่มีไม่มีความสามารถจะช่วยได้ก็ต้องก็ต้องขอแสดงความเสียใจแต่ถ้ายังช่วยได้อยู่ก็ยิน ด, ดีอยากจะช่วยคือช่วยให้ช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้พอเราพอช่วยตัวเองได้แล้วก็ไม่ต้องให้คนอื่นช่วยต่อไปแต่ถ้ายังช่วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นช่วยไปก่อน เหมือนเด็กคนนี้ลูกคนนี้ตอนนี้เขายังช่วยตัวเขาเองไม่ได้แม่ก็ต้องช่วยเลี้ยงลูกพี่ก็ต้องช่วยช่วยน้องต่อไปพอเขาโตเขาช่วยตัวเองเขาได้แล้วก็ไม่ต้องช่วยกันอีกต่อไปนะดังนั้นก็ขอใหอ้สบายใจนะว่าเราไม่มีข้อเงื่อนไขไม่มีข้อผูกพันอะไรเดังนั้นช่วยเพื่อความสุขของคนช่วยนะ ถ้ามีอะไรก็ติดต่อมาบอกทางาทางคุณที่ติดต่อกันก็ได้นะแล้วก็มีคนเขายินดีที่จะช่วยกัน อ, อันนี้ไม่ได้เป็นการไปเป็นขอทานหรือเป็นการไปเบียดเบียนคนอื่นเพราะเราไม่ได้ไปบังคับเขาเขาทำด้วยความพอใจเขาทำด้วยความยินดีแต่ถ้าเราไปขอเขาไปบังคับเขานี่ก็ไม่ถูก ถ้าเป็นเหมือนกับว่าเราไปบังคับเขาแต่ถ้าเขาทราบว่าเราต้องการความช่วยเหลือแล้วเขาพอช่วยเหลือได้ก็อยากจะช่วยเรานี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราควรจะรับความช่วยเหลือแต่ถ้าต่อไปเราช่วยเหลือตัวเราได้แล้วเราก็ต้องหยุดการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นแลวต่อไปถ้าเราช่วยเหลือผู้อื่นได้เราก็ควรจะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป แล้วโลกเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขนะเอาท่านนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะต้องพูดธรรมะต่อวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้จากเฟ e บุ๊ k เข้ามาสามร o อยเจ็ดสิบเอ็ดยูร้อยเจ็สิบแปดวิทยุออนไลน์สี่สิบผู้รับฟังบนเขาห้าสิบสองรวมทั้งสิ้นหกร้อยสี่สิบเอ็ดท่านค่ะมีคำถามไหม มีใครอยากจะถามธรรมะ ม, ะมะั้งไหมหนูเคยศึกษาธรรมะเมป่าเคยได้ยินประวัติของพระพุทธเจ้าไหมรู้จักพระพุทธเจ้าไหมไปได้เรียนในโรงเรียนอรยนเนอเปล่ารู้จักนะโอเคอถามค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอเรียนสอบถามเรื่องการสวดมนต์แบบสวดในใจโดยไม่ออกเสียง ซึ่งมีคนบอกว่าสวดมนต์ไม่ออกเสียงเทวดาจะไม่ได้ยินซึ่งปัจจุบันหนูสวดมนต์ในใจค่ะรู้สึกว่าต้องตั้งสติมากและหากจิตใจเราวอกแวกแม้แต่นิดเดียวก็ทำให้สวดผิดพลาดได้หนูควรจะปรับการสวดมนต์แบบไหนดีคะเดี๋ยวพูดตอนท้ายหมในตอนนี้ก็สวดมนต์แบบไหนฮะปัจจุบันสวดในใจค่ะรู้สึกว่าต้องตั้งสติมาก เพราะหากจิตใจเราวอกแวกแม้แต่นิดเดียวก็ทําให้สวดผิดพลาดได้คือการสวดมนต์นี่เราไม่ต้องการสวดให้ใครฟังเราต้องการสวดเพื่อให้เกิดสติเพื่อเราจะได้ควบคุมความคิดของเราหยุดความคิดของเราฉั้นการจะไปออกเสียงเทวดาก็ไม่ได้ยินเสียงอีกครัเพราะเทวดาเขาอยู่ในโลกทิพย์เขาต้องฝังเสียงทิพย์นียเสียงมนุษย์นี่ เราให้ขยายเสียงดังเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้ยินเทวดาเขาจะได้ยินเสียงที่อยู่ในใจเราเสียงภายในเรียกว่าเสียงทิพย์อยนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปออกเสียงดังไปรบกวนชาวบ้านเปล่าๆโดยเฉพาะถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ปฏิบัตินี้เขาจะไม่ต้องการให้เราส่งเสียงดังถ้าเราอยากจะสวดมนต์เราต้องสวดไปภายในใจการสวดภายในใจนี้มีคุณประโยชน์มากกว่าเพราะว่ามัน ทำให้เรานีนดึงใจไว้ข้างในไม่ต้องส่งออกมาทางปากอีกทีหนึ่งยิ่ถ้าสวดไปภายในใจได้ก็ก็สวดอย่าไปสวดทางทางปากเลยทางปากนี้สำหรับคนที่ยังสวดในใจไม่เป็นก็เลยต้องสวดทางปากไปก่อนแต่ถ้าสวดภายในใจได้นี่เราสามารถสวดได้ทุกแขนทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนั่งอยู่บนรถเดินไปตาม ที่ต่างๆถ้าเราต้องการที่จะหยุดความคิดเราก็สวดมนต์ไปภายในใจได้แต่ถ้าเราสวดออกเสียงมันก็ไม่เหมาะสมเพราะการสวดมนต์นี้ต้องถ้าออกเสียงต้องอยู่ในสถานที่ที่เหมาะต่อการสวดมนต์เช่นเวลาเรานั่งอยู่ในห้องพระหรืออยู่ในวัดอย่างนี้เราถึงสวดได้แต่ถ้าเราอยู่ในที่สาธารนณะถ้าเราสวดออกเสียงเขาก็จะหาว่าเราบ้าได้ ยังถูกต้องแล้วละ่ะการสวดในใจเนี่ยดีที่สนะุดพยายามสวดไปเรื่อยๆ้วพอสวดแล้วถ้าใจสงบรู้สึกอยากจะหยุดสวดก็ลองหยุดดูแล้วลองดูลมหายใจต่อไปเพราะว่าการสวดนี่ยังไม่ทำให้ใจสงบได้เต็มที่ถ้าอยากจะให้สงบให้เต็มที่ให้นั่งเฝ้าดูลมหายใจต่อไปคําถามจะคุณมีเทียว กราบนมัส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์ทำอย่างไรไม่ให้คิดว่าตัวเองเป็นพระสกิดาคามีพระอนาคารีพระโสดาบันหรือแม่ชีช่วยลูกด้วยนะเจ้าค่ะคือความคิดมันคิดก็ให้รู้ทันมันเท่านั้นเองรู้ว่ากำลังหลอกตัวเองถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นต้องอมีเครื่องวัดอยู่เห็นไหเวลาเราขับรถนี่บางทีถ้า ไอ้ไอ้ไอ้เครื่องที่บอกความเร็วมันเสียเราก็จะไปเดาเอาว่าไอ้ตอนนี้วิ่งแปดสิบวิ่งร้อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นเราก็รู้ว่ามันไม่มันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แน่นอนว่าจริงหรือไม่จริงถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเอาวิ่งน็อตเร็วเท่าไหร่เราก็ต้องไปเอาไปซ่อมไอ้เครื่องที่บอกความเร็วฉันใดธรรมะที่เราบารรลุแต่ละขัน้นนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็ต้องไปอ่านดูว่า การบรรลุธรรมขั้นนี้จะต้องทำอย่างไรต้องเป็นอย่างไรถึงจะบรรลุได้ถ้าเรายัางไม่ได้เราเพียงแต่คิดไปเองความคิดกับความจริงมันมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ดูล้วมันจะคิดก็รู้ว่าอันนี้เป็นเพียงความคิดจะจริงหรือไม่จริงยังต้องไปพิสูจน์ดูคำถามจากคุณนกสุขสันค์ ก ร, กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากจะเรียนถามว่าตอนนี้จิตผมคิดแต่เรื่องความตายคิดว่าตายแล้วจะไปไหนกลัวนอนหลับไปแล้วจะไม่ตื่นถ้าตายไปเราจะได้เกิดอีกหรือเปล่าเหมือนกับว่าผมกลัวจะกลัวตายพระอาจารย์มีธรรมะอะไรที่พอจะให้ผมไม่คิดเรื่องอย่างนี้หรือเปล่าครับอ๋อก็ต้องใช้สติหยุดมันก่อน ยเวลามันคิดเรื่องที่มันทําให้เราไม่สบายใจเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธคิดพุดโทโธแทนท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปภายในใจแล้วความคิดต่างๆมันก็จะหยุดคิ ด, คดเพราะมันจะคิดสองอย่างพร้อมๆกันไม่ได้คิดสองเรื่องไปด้วยกันไม่ได้ตอนตอน้นอาจจะแข่งกันคิดได้อยู่แต่เราก็อยากไปหยุดพุดโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวความคิดอีกทางมันก็จะอ่อนกําลังลงเพราะเราไม่ไปสนับสนุนมัน เราสนับสนุนความคิดคือพุโทโธพุธโทโธอย่างเดียวแล้ว เ, เดี๋ยวความคิดที่เราไม่อยากจะคิดมันก็จะจางหายไปคำถามจากคุณแจ็คอยากให้พระอาจารย์ขอฝากถามพระอาจารย์นะคะสมถกรรมฐานโดยบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวพุทธานุสติกำลังของสมาธิสามารถไปถึงขั้นสมาธิขั้นไหนครับ เทียบกับอาณาปณนาสติจะไปได้ถึงขั้นไหนก็พุโทโธก็รวมได้จิตรวมด้วยพุโทโธก็มีจิตรวมด้วยอาณาปณาาสติก็มีความจริงกรรมฐานเกือบทุกชนิดนี้ทำให้จิตรวมได้อยู่ที่ว่าแต่ละคนจิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนใช้แล้วไม่ไม่เหมาะมันก็ไม่รวมบางคนใช้กับมันใช้กับมันแล้วเหมาะกันมันก็รวมได้ มันเป็นอารมณ์ที่จะดึงใจให้เข้าข้างไหนงั้นเราอย่าไปโลภเท่านั้นเองเวลาทำอะไรทำไปแบบไม่โลหรวมไม่หลวมก็ไม่เป็นไรพยายามทำไปเรื่อยๆก่อนฝึกไปเรื่อยๆก่อนเพราะบางทีมันไม่ได้อยู่ที่กรรมฐานมันอยู่ที่สติสติมันยังไม่มีกำลังพอจะใช้กับกรรมฐานแบบไหนมันก็ไม่รวม ฉนั้นก็ต้องพยายามฝึกสติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันมีกําลังพร้อมแล้วมันไปใช้กรรมฐานแบบไหนก็รวมได้ทั้งนั้นมีคําถามหรือเปล่ามีอะไรหรือปเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไมโครโฟนไปไม่เดี๋ยวจะส่ง ไ, ไปไมโครโฟนไปฮะไม่เวลาพุโทโธพุโทโธไปก่อน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพูดพูดทนบางไม่พูดใกล้ๆปากคนอื่นจะได้ยินเข้าไปใกล้ๆหน่อยใกล้ๆปากพอดีตื่นเต้นค่ะเพราะว่ายังไม่เคยมาค่ะหลวอก็คอยดูตำในเฟ e บ o ๊ k นะคะดูทีค่ะแล้วก็วันนี้ได้มีบุญได้มากราบอง์หลวงพ่อตื่นเตน เป็นบุญจะได้เหมืนก like ับองคหลวงพ่อค่ะก็มีมีที่อยากจะถามทำกับรงพ่อนะคะว่าเวลาเราปฏิบัติทำแล้วเรามีอาการปวดปวดศีรษะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ปวดเนื้อปวดตัวมากนะคะหลวงพ่อแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่่อยแล้วค่ะ เฉพาะตรงนั้นเราเราต้องปฏิบัติแบบหนี้อ๋อเวลาถ้ามันปวดตามร่างกายถ้ามันปวดเฉพาะตอนที่เรานั่งสมาธิก็ไม่ต้องไปสนใจมันมันเป็นกิเลนทำให้ปวดแต่ถ้ามันปวดทั้งวันทั้งคืนนั่งสมาธิหรือไม่นั่งสมาธิก็ต้องไปหาหมอเพราะมันเป็นเรื่องของร่างกายแต่ถ้าปวดเฉพาะเวลาเรานั่งเวลานั่งดูหนังไม่ปวด เวลานั่งสมาธิปวดอย่างี้แสดงว่ามันเป็นกิเลสก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็ใช้ธรรมะพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวพอกิเลสมันหยุดอาการปวดต่างๆในร่างกายก็จะหายไปบางทีก็มีอาการเหมือนกับว่าแม้แต่ดูดูหนังดูข่าวหรือดูอะไรที่แบบว่ามีมีคนเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะ เราก็จะรู้สึกปวดหัวอะไรอย่างนี้ค่ะใจเรายังไม่มีสติไงใจเรายังอ่อนเนี่ยเป็นเหมือนเด็กทารกอยู่ต้องฝึกสติให้มากแล้วต่อไปมีสติแล้วใจมันจะเฉยเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้นะมันหัดขยันพุทโธพุทโธนี้ได้ทั้งวันเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปยื่อยพุทโธไปอาบน้ําไปล้างหน้าไปแปรงฟันไปกินข้าวไป เวลาไหนที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับการทำงานก็พุโทโธไปดีกว่าอย่าปล่อยให้คิดเพ้อเจ้เพ้อฝันอะไรไปต่างๆแล้วมันจะทำให้ใจเราอ่อนไหวง่ายถ้ามีพุโทโธพุโทโธต่อไปใจเราจะแข็งเหมือนหินจะเฉยๆลมพายุพัดมามันก็ไม่ไม่ขยับ แต่ถ้าเราไม่มีสตินี้ใจเราจะเหมือนเหมือนนุ่นอพอลมพัดมาเบาๆมันก็ปุยหูไปแล้วดังนั้นพยายามฝึกสติให้มากๆสตินี้สัมผัสอย่างไม่เป็นมีคุณประโยชน์อย่างมากแล้วก็บางบางทีก็มีเอเหมือนกับเราปฏิบัติไปจนบางทีเราเหมือนกับอ่าเราจะไม่เดินทางสายกลางหรือว่าเราจะไปอ่าทั้ง ตั้งห่วงครอบครัวห่วงลูกแต่ว่าอีกจิตหนึ่งก็อยากจะอยากจะเหมือนกับอยากจะมีความสุขที่จะปฏิบัติแล้วตรงนี้บางทีมันก็มีอาการเกิดโกมทุกข์อะไรเงนี้ค่ะเพราะเราก็ต้องดูฐานะเราก่อนว่าเราปฏิบัติได้มากได้น้อยเรามีภาระหน้าที่อะไรที่เรายังต้องทำอยู่เราก็ต้องแบ่งให้มันเหมาะสมไปก่อนเนี่ยทางสายกลางคือ ถ้ายัางมีภาระหน้าที่ต้องทําก็ทิ้งไม่ได้เราก็ทําตอนเวลาที่เราว่างจากภาระหน้าที่การงานจนกว่าเราจะมีมีมีภาระหน้าที่น้อยลงไปเรื่อยๆเราก็จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันที่เราทําวัดสวดมนต์เหมือนกับช่วงประมาณสามทุ่มสามทุ่ม จะแตกต่างกับประมาณหกโมงเย็นไหมคะหลวงพ่อไม่ต่างเราทาวัดก็เป็นการเจริญสติสวดมนต์ก็เหมือนพุทธทําได้ทั้งวันทั้งคืนทุกเวลานาทีว่างเมื่อไรทําได้ทันทีไม่ขึ้นกับเวลาเป็นการฝึกสติเวลาเราสวดมนต์เราก็จะได้ไม่ไปคิดฟุง้งซ่านไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองหมดแล้วเหรอ กลับเลี่ยนถามพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อสองวันก่อนผร้อาจารย์ชี้แนะว่าปัญหาที่เกิดกับลูกแล้วเราต้องแก้ที่ตัวเราเองเนี่ยค่ะอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยกระจ่างให้อคือปัญหามันมีสองส่วนปัญหาที่ลูกก็ส่วนหนึ่งปัญหาที่เราก็ส่วนหนึ่งปัญหาของเราคือเราไม่สบายใจกับลูกเราต้องแก้ตัวนี้ก่อนแก้ความไม่สบายใจของเราก่อน วิธีแก้ความไม่สบายใจของเราก็ต้องรู้ว่าความไม่สบายใจของเราอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็เลยไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะเฉยเฉยเราต้องเปลี่ยนใจเราก่อนเปลี่ยนจากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แบบว่ามันจะเป็นไงก็ช่างหัวมัน พอเราเปลี่ยนใจได้แล้ ว, ลวทีนี้เราค่อยมาแก้ปัญหาที่ลูกแก้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราแก้มันได้ไหมแก้มันได้ช่วยมันได้ก็แก้ไปช่วยไปถ้าแก้ไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็ก็ช่วยไม่ได้เข้าใจไหมต้องแก้ที่เราก่อนแก้ที่ใจเราก่อนใจเราไม่สบายถ้าเราไปแก้ที่เขาในขณะที่ใจเราไม่สบายแล้วจะพยายามบีบให้เขาเข้ า, ขามาทาตามที่เราอยาก ถ้าเขาไม่ทําเดี๋ยวจะต่อสู้กันจะทะเลาะกันจะโกรธกันจะแยกทางกันเหตุที่ทําใจไม่ได้ทําใจของเราไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาจะต้องดูแลดูแลบริวารหลายร้อยชีวิตอก็เลยคิดว่าถ้าปล่อยให้เขาอารมณ์รุนแรงอย่างนี้เนี่ยมันไปกระทบกับพนักงานทั้งหมดแล้วแล้วถ้าเกิดเขาตายไปเราต้องทําให้เขาไม่ตายได้หรือเปล่า ใช่ไหมในเมื่อเราทําให้เขาเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็เหมือนกับตอนที่เขาตายเราไปห้ามให้เขาไม่ตายได้หรือเปล่าสิ่งนี้จะจะเป็นเป็นเวรต่อเนื่องกันไ้มคะในเมื่อบริวารทั้งหมดที่เขาดูแลปัจจุบันเนี่ยเคยเป็นเราเคยดูแลมาก่อนแล้วก็ทําให้บริวารเนี่ยได้รับความเดือดร้อนไม่สบายใจบางคนต้องออกไปเลยเ อ, อ๋อไม่เป็นเวรอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเวลาอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป พอเวลาช่วยเหลือไม่ได้ก็แยกทางกันไปคนละทิศคนละทางนั่นเองมันไม่ตปแมนกันตรงไหนไม่เจ็บกลัวกลัวจะเป็นเวอไม่ปีหรอกก็เป็นเรื่องธรรมดาเวลาช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปพอช่วยเหลือไม่ได้ก็แยกทางกันไปนั่นเองนอกจากเราไปสัญญองสัญญาเขาว่าจะดูแลอย่างเต็มที่ แล้วพอถึงเวลาไม่ดูแลเขาเนี้ก็อาจจะถือว่าไปหลอกลวงเขาได้เขาก็อาจจะโกรธอาจจะไม่ชอบเราเร า, เราได้ถ้าเราไปบอกสัญญากับเขาว่าจะช่วยอย่างเต็มที่แล้วไม่ช่วยอย่างเนี้ยพอมาเปลี่ยนใจไม่ช่วยเขาอย่างนี้ทั้งๆ ท, ที่ยังช่วยได้อ ย, อยู่อันนี้อาจจะมีปัญหาต่อกันได้แต่ถ้าเราไม่ได้ไปสัญญองสัญญาอะไรแล้วก็ใครมาทํางานกับเราเรามีงานก็ให้เขาทําไป เราก็จ่ายเงินเดือนเข้าไปพอเราไม่สบายเราไม่ทํา ง, งานไม่ได้เราหยุดปิ ด, ดากิจการ mm hmm. ก็มันก็เป็นเรื่องสุดวิสัยไป mm hmm. ไม่ได้เป็นเรื่องวิทเรื่องโกโหกหลอกลวงกันอย่า mm ้ hmm. เขาก็ไม่มาโกรธเราเขาก็จะรู้ว่าเราทําล้วทำไม่ได้แล้วช่วยเขาไม่ได้แล้วไม่เคยสัญญาแต่เคยพูดว่าก็ไปเปลี่ยนคำพูดใหม่ก็แล้วกันขอเปลี่ยนคําพูดใหม่ mm hmm. <laughs> เปลี่ยนได้ตอนนี้ยังเปลี่ยนได้อยู่อ่ะ อย่าไปพูดอะไรทำทาให้คนอื่นเข า, เามีความความความฝันความผูกพันกับกับเราแล้วพอเราไม่ทำตามความพูดก็เหมือนกับเป็นการหลอกลวงกันได้ทำให้เขาผิดหวังได้ยิ่อย่าไปสร้างความหวังให้กับใครพูดได้แบบกลางๆว่าถ้าเชียงช่วย เอาใส่คำว่าท่าเขาไปสักคำเดียวมันก็หมดปัญหานะ้ถ้าช่วยได้ก็ยินดีจะช่วยพูดอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะมันมีท่าอยู่ถ้าช่วยไม่ได้ก็ไม่ได้ช่ว ย, ยไม่ได้โกหกหรอกเมืองแต่ถ้าบอกว่าฉันจะช่วยเธอไปจนนมหายใจสุดท้ายอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการผูกมัดตัวเองนะกาอาจางคับคือผม อพูดไห้ใกล้ๆฮัลโหลโอเคครับเออผมสงสัยนะครับคือเวลาสวดมนต์เนี่ยครับเราควรจะสวดบทไหนบ้างเพราะว่าผมอ่านมาจากหลายที่แล้วมันก็เริ่มงงบทไหนได้ทั้งนั้นเน่ยบทที่เราจําได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่บทไหอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราหยุดคิดเท่านั้นเอง แต่คือในระหว่างที่เราสวดแล้วเราจิตใจวอกแวกเนี่ยเราก็ต้องดึงดึงกลับมาที่สวดอย่าปล่อยให้มันไปบางทีสวดได้สองสามคมันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้แล้วก็ดึงกลับมาใหม่สวดช้าๆลงก็ได้ถ้ามันไปเรื่อยๆก็ลอ ง, อ ง, องสวดอิติบิโณภะกะวาอะระหังสัมมาไปบังคับให้มันอยู่กับบทสวดอย่างเดียวถ้าสวดเร็ ว, วๆแล้ ว, ล ว, ลวมันมัน หลายพูดไปแล้วก็คิดพูดไปด้วยอย่างนี้ก็หยุดชะลมันลงก่อนชะลมันลงเดให้มันใจเกาะติดอยู่กับบทสวดทุกคาเลยเอาทีละคําเลยทุกถ้อยคาเลยเราจาเป็นไหมครับที่สวดมนต์ทุกครั้งแล้วหลังจากสวดมนต์ต้องนั่งสมาธิถ้านั่งได้ก็ดีเพราะว่าการสวดมนต์นี้เป็นเหมือนกับเป็นการเปิดทางให้เรานั่งสมาธิได้ แล้วถ้านั่งสมาธิได้จะได้ประโยชน์มากกว่าการสวดมนต์การสวดมนต์นี้เป็นเหมือนกินอาหารว่างยังไม่ได้กินอาหารหนักเวลาไปกินอาหารเขาจะให้กินอาหารว่างก่อนฝรั่งเศสนี่ก็ชอบมีอาหารย่อยเรียงน้ำย่อยก่อนพอน้ำย่อยออกมาทีนี้ก็ต้องกินอาหารหนักแล้ว เ, เวลาที่นั่งสมาธินี่คือเราแค่คิดถึงเออ พุทโทอะไรอย่างนี้ใช่ครับหายใจเข้าพุทธหายใออกโทรไร่ต้อับเรียกได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้ดูว่าลมเข้าลมออกไม่ต้องพุทเข้าโทออกก็ได้คือถ้าติดใจวกแรกก็ให้กลับมาที่ลมภายในเราทุกครั้งใช่ไหมครับใช่เหมือนกันให้คอยดูลมเข้าแล้วไม่ใช่ลมก็ช่างท่องพุทโทไปอย่างเดียวก็ได้แล้วอย่างเวลาที่ร่างกายเรามันรู้สึกเหมือนว่าแบบมันมันเห น, น็บหรืออะไรเงี้ยเราก็แล้วอย่าไปสนใจไม่น้องขยับถ้าขยับแล้วมันเริ่มต้นใหม่ก็ขยัย ไม่สนใจอยู่กั บ, บพุโทโธไปอยู่กับลมไปนั่งสมาธิไปได้เลยแล้วเดี๋ยวปัญผ่านได้แล้วต่อไปเราก็จะไม่มีปัญหากับความเจ็บของร่างกายขอบคุณมากครับค่ะคำถามจากคุณพันธิพาค่ะการดื่มสุราผิดศีลข้อหแล้วการทำงานที่เกี่ยวกับการผลิตขนย้ายหรือซื้อขายโดยที่ไม่ได้ดื่มสุราเลยถือว่าผิดศีลด้วยหรือเปล่าคะ อ๋อไม่หรอกถ้าไม่ดื่มก็ถือไม่ถือว่าผิดศีลแต่อาจจะเป็นอาชีพที่เราไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะอาชีพสุรานี่มันส่งเสริมให้คนได้ดื่มสุราถ้าทุกคนปิดโรงงานสุลามันก็ไม่มีสุลาให้ดื่มคำถามจากคุณชรินทิพย์ หนูเคยพูดว่าจะช่วยค่าอาหารถวายพระทุกเดือนให้มาได้สองเดือนหนูเปลี่ยนใจโดยซื้อของใช้ต่างๆมาไว้ที่ครัวพร้อมช่วยทำด้วยแบบนี้กลายเป็นผิดสัจจะที่บอกไปตอนแรกไหมเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าเราพูดไปยังไงถ้าเราพูดแบบแบบอย่างไรก็ต้องเป็นถ้าเราเปลี่ยนมันก็ถือว่ามันก็เปลี่ยนสัจจะแล้วนนก่อนที่เราจะพูดอะไรเขาพูดอยู่มีมีค สุภาษิตว่าก่อนจะพูดอะไรคิดให้ดีก่อนพราก่อนที่เราจะพูดเราเป็นนายคำพูดพอเราสามารถเปลี่ยนคำพูดได้แต่พอเราพูดไปแล้วคำพูดมันจะมาเป็นนายเราว่ามันจะบังคับให้เราทําตามที่เราพูดดังนั้นก่อนจะพูดอะไรคิดให้ดีก่อนคิดไปแล้วมั่นใจแน่นอนแล้วถึงก้อยพูดถ้าไม่มั่นใจให้ใส่คำว่าท่าไว้ ถ้ามีคำว่าท่าเราปลอดภัย <c oughs> ออคำถามจากคุณแมนการปฏิบัติบางอย่างกราบเรียนถามพระอาจารย์การบริกรรมภาวนาเป็นพื้นแล้วปฏิบัติมาเรื่อยๆกระทั่งเห็นตัวเองหมดลมหายใจจิตวิญญาณออกจากร่างเห็นกายทุรนทุรายแต่เห็นอยู่ ไม่รู้สึกอะไรเฉยอยู่อย่างนั้นอาการต่างๆเช่นนั้นเป็นเหตุให้เกิดความรู้เช่นไรพึงกระทำสิ่งใดต่อจากนั้นคือส่วนตัวหลงติดยึดเอาจริงเอาจังในช่วงนั้นๆจึงขอทราบคำตอบเป็นแนวทางกับท่านอื่นๆด้วยเพื่อให้ถูกทางอันสมควรแล้วแต่หลวงพ่อจะพิจารณาคือการเห็นอะารเหล่านั้นมันเป็นเหมือ น, น, นกับการเห็นหนังตัวอย่างเช่นเห็นว่าเรานอนตาย การลมหายใจดวงเวียนญาณเราออกจากร่างไปมันเป็นเพียงจินตนาการของจิตเราคิดไปทัานเองเทีนั้นถ้าเราคิดว่าต่อไปเวลาตายเป็นอย่างนี้เราก็สอนใจให้ยอมรับความจริงอันนี้ไปว่าต่อไปร่างกายมันก็จะหยุดหายใจแล้วเราก็จะออกจากร่างกายนี้ไปก็ไม่เห็นมีอะไรที่เราจะต้องกลัวตายเพราะในที่สุดมันก็ต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องมีการแยก แยกจากกันไปเราก็ไม่ได้ตายที่ตายก็เป็นเพียงร่างกายร่างกายมันก็ไม่ได้ตายร่างกายมันก็เปลี่ยนเป็นดินน้ำนมไฟไปต่างคนต่างไปต่างคนต่างแยกทางกันไปเหมือนเรามารวมกันที่ศาลานี้เดี๋ยวพอถึงเวลาเลิกเราก็แยกกันไปคนหนทางอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายกับจิตใจมันก็มารวมกันร่างกายมันก็มีธาตุสีดินน้าลมไฟมารวม ใจก็คือธาตุรู้ก็มารวมเป็นห้าพอถึงเวลาที่มันต้องแยกทางกันมันก็ไปคนละทิศคนละทางนถ้าเห็นแล้วทำให้เราไม่กลัวตายได้ก็ดีเห็นแล้วทำให้เราตายอย่างสงบก็ดีอยู่อย่างสงบก็ดีถ้าเห็นแล้วเรายัางวุ่นวายอยู่ก็ไม่ดีไม่เปื้อนไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใดทุกครั้งที่เราวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็ให้นึกถึงภาพ น, นี้่า เดี๋ยวต่อไปแล้วเราก็ต้องแยกทางกันไปใจวุ่นวายยังไงก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อยู่ดี yeah. คำถาม <c oughs> จากคุณจินขอบขอกราบเรียนถามใจเรามีดีไม่ดีแต่บังคับเขาไม่ได้แล้วเรามีสิทธิ์ทำอะไรกับเขาได้บ้างครับเพื <spe ak> ่อเพื่อการภาวนาครับคือการภาวนานี้เพื่อดึงเราออกจากทุกสิ่งทุกอย่างทุกคน เขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาถ้าเราต้องการภาวนาเราต้องตัดทุกอย่างทุกอย่างไปไม่เช่นนั้นแล้วใจเราจะไม่สงบจะไม่เกิดผลมานั่งภาวนาแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรงั้นเราต้องพิจารณาว่าเรื่องของคนอื่นเราแก้ไม่ได้ช่วยกันไม่ได้ช่วยได้ก็สู้เขาช่วยของตัวเขาเองไม่ได้แล้วเขาจะยินดีให้เราช่วยหรือไม่ก็ไม่รู้งั้น ถ้าเราต้องการที่จะภาวนาเราต้องตัดทุกอย่างไปก่อนหลังจากที่เราสำเร็จการภาวนาแล้วถ้าเราอยากจะช่วยใครล้วก็ไปช่วยต่อไปช่วยตามเหตุตามผลตามกาลังของเราคาถามจากคุณสุดทางรักตอนเช้าขับรถจะไปทํางานพอดีกบอยู่กลางถนนผลขับรถไปเหยียบเขาตาย แต่ผมไม่ได้เจตนาที่จะขับรถไปเหยียบเขาแบบนี้บาปหรือเปล่าครับถ้าไม่มีความตั้งใจไม่บาปอะเป็นอุบัติเหตุเราอาจจะถูกรถกระอน่นชนเราตายก็ได้อันนั้เขาก็ไม่บาปเหมือนกันเป็นอุบัติเหตุนอกจากเขามีความตั้งใจถึงจะบาปหมดหรือยังอ่านไปเรื่อยๆค่ะจะคุณจินขอบ รูปจำแนกเป็นอะไรได้บ้างครับรูปมีก็รูปก็คือร่างกายนี่หรือรูปที่เราเห็นด้วยตามีสองแบบรูปที่เห็นด้วยตานี้มันไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่ร่างกายต้นไม้ภูเขาใบหญ้าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็จัดอยู่ในรูปหมดส่วนถ้ารูปที่เราพูดถึงคือร่างกายก็เฉพาะอาการสามสิบสองร่างกายที่มีอาการสามสิบสองนี่ก็เป็นรูปสองแบบด้วยกันรูปหน อายตนะก็คือรูปที่เข้ามาทางตารูปคือสังขารร่างกายก็คืออาการสาสบสองคำถามจากคุณกิฟ์การนั่งสมาธิแล้วพุทโธหายทุกอย่างหายไปหมดพอรู้ตัวอีกทีคือเหมือนจำอะไรไม่ได้งง ง, งเหมือนหลับแต่ไม่หลับแต่ไม่คิดอะไรไม่เห็นไม่รู้อะไรเลยแต่บางครั้งก็รู้สึกตัวว่าสงบอยู่ บางครั้งก็หายไปเลยค่ ะ, ะถ้านั่งแบบถูกต้องต้องรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวคะหรือแบบเรียกว่าไม่มีสติคะต้องรู้สึกตัวเหมือนตอนนี้เราคุยกันอย่างนี้รู้ว่าตอนนี้เราหยุดคุยกันแล้วถ้ารู้แบบที่เรามานี้ก็คือรู้แบบหลับนะคำถามจากคุณแทมถ้าเราทำดีให้กับคนที่ไม่ดีคิดไม่ดีกับเรา ถือว่าเราเป็นคนโง่ให้เขาอเอาเปรียบหรือไม่เจ้าคะไม่หรอกเป็นการเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรถ้าเราทําดีกับเขาเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวเขาแทนที่จะโกรธเราไม่ดีกับเราเขาก็จะชอบเรารับเราขึ้นมาเองเพราะว่าความเมตตานี้เป็นสิ่งที่สามารถเอาชนะความร้ายความเมตตาได้ความโกรธความเกลียดได้ทำย่อมชนะอธรรม คำถามจะคุณตายทำไมเวลาโยมเข้าวัดฟังธรรมบ่อยๆใจมันก็จะสงบแต่เนื่องด้วยพักหลังๆโยมติดภารกิจเลยไม่ค่อยได้เข้าวัดทำให้ใจมันมีความอยากทำโน้นทำนี่มากกว่าตอนเข้าวัดบ่อยๆเพราะตอนนั้นเข้าวัดบ่อยๆมันไม่อยากไปเที่ยวไหนคะ่ะทำไมกำลังสติของเราที่เราสั่งสมความดีมันหายไปคะ เวลาโยมทำผิดโยมก็รู้แต่ก็ยังทำค่ะจะแก้ไขและฝึกจิตอย่างไรดีคะก็กลับเข้วาวัดใหม่สิก็รู้อยู่แล้วว่าเข้วาวัดดีพอจะากวัดไม่ดีมันก็อยากจะให้มันดีเหมือนเดิมก็กลับเข้วาวัดไปนะวัดเป็นที่รักษาใจวัดเป็นที่พัฒนาจิตใจข้างนอกนี้เป็นแต่ที่ที่จะคอยชุดให้จิตใจเสื่อมลงไปเรื่อยๆ